ช่วงนี้ถ้าใครมีโอกาสได้มาทาวัตรเช้าเย็นเนี่ยในวัดตรเช้า้เาเราได้มีโอกาสได้ยนินในฟังของพ่อมเขียนท่านเทศเก็จะมีคำบางคำที่ท่านไม่เคยพูดมาตลอดแล้วก็มาพูดในช่วงปีใหม่เป็นต้นมาเน เป็นการปลุกเป็นการกระตุ้นให้น้มันละลายมีความเพียนแล้วก็สรุปชีวิตของเราเป็นคำจำกัดความสั้นๆเช่นว่าชีวิตเรานี่ไม่ต้องมีอะไรมากหรอก ลมหายใจกับสตินก็พอแล้วมีลมห า, หายใจเข้าหายใจออกอันนี้มันคือพลังของชีวิตยอยู่แล้วอากาศสี่วินาทีก็พอได้อยู่แต่ถ้าสี่นาทีนี่สมองมันตายถ้าหานาทีก็คือเสียชีวิต อากาศก็มีความสำคัญเราหายใจเข้าหายใจออกที่นี้มันก็อิ่มหลายผู้รู้ก็เคยพูดว่าอากาศเป็นพลังที่จะรักษาโรคต่างๆได้มากมายใหหายใจให้อิ่มมันก็จริง อกอนก็คือสติเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจเป็นเรื่องของนามธรรมถ้าใจิตใจเรามีสติเราเป็นสติปัฏฐานสติมี2ชนิดนะนะสติสัญชาตญาณกับสติปัฏฐานสติที่ไปนสนใจเรื่องนอกอันนี้มักจะหมกมุ่นับวัตถุ ก, กามะคุณ เรื่องของการกินเกียดอำนาจนิยมตุนนิยมบริโภคนิยมต่างๆคราวนี้เรากลับมาเป็นเรื่องของการฝึกจรู้สติปัะฐาการเคลื่อนการไหวหรือ ว, ว่าเดินจงกรมนั่งสั่งจังหวะดูลมหายใจนี่นคือรูปแบบ มันั้มันการบรลกายเป็นรูปธรรมเห็นใจเป็นนามธรรมเมื่อไหรล่ละอ่ะมันก็เข้าสู่กระบวนการของวิปัสสนามานั้นนี่คือการเอนทรานติดแล้วก็เตรียมตัวเรียนต่อไปวิปัสสนาเราจะพาท่องโลกกวางที่ว่าคว้างคือมันเป็นโลกของโลกภายนอกโลกภายใน ภายนอกคือโลของสมบัติบัญญัติประวัติบัญญัติต่างๆมันม <disputes, S 1> ีเยนอกก็มีภายในก็มีบัญญัติต่างๆจนทําให้เราสุขจนทําให้เราทุกข์จนต้องเกิดมาตนนิพพานเป็นลัณะของอริยบัญญัติหนึ่งอริยบัญญัติอะไรไว้การเดินทางสู่ความเป็นพระอริยะ ทายสุดลาวิชาได้เข้าถึงกระบวนการนิรเวณิพันธน์หรือว่าอัตถาบัญญัติความลึกซึ้งต่างๆที่มันเกิดจากพยัญชนะจึงต้งสื่อบอกกันสังคมตกลงร่วมกันชุมชนตกลงร่วมกันจึงั้องเป็นวัฒนธรรมแผ่นือน่ารีต่างๆบนสิบสองครองสิบสี่หรือว่า ทำเนียมปฏิบัติ น, นั่นก็เป็นเรื่องของอัตมาที่ก็บัญญัติกันไว้เพื่ความลึกซึงของการปกครองของขวัญกำลังใจเหยีส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งแต่ละเดือนแต่ะเดือนก็กําหนดวันกันเป็นวันอะไรบ้างตามความเชื่อของแต่ละชุมชน เผ่าต่างๆชุมชนต่างๆไม่ต้องประเทศเดียวกันก็นตามแบ่งเป็นภาคต่างๆความเชื่อก็แตกต่างกันไปทางจาังหวัดเลยก็เชื่อผีตาโขนมีการแห่ผีตาโขนบางทีก็มีแหบ่บังไฟมากมายปล่อยโคมต่างๆเหนือหรือว่าแข่งเรือยาวก็ตาม เพื่อปลุกความสมัครสมานสามัคม ค, คีเรียก ว, ว่าอัตถบัญญัติมันมีสมมติต่างๆอีกมากมายเหลือเกินที่มันเป็นสัจจะที่เราก็าจะต้องใช้ให้ถูกต้องเป็นเรื่องของกฎหมายหรือว่าทำเนียมปฏิบัติาต่างๆเกิดจากวิธีคิดไม่ต้องคนสองคนตกลงร่วมกัน ต่างสัจจะรวมกันกําหนดกันไว้สองคนเป็นยังไงเราจะรักกันจนตายเป็นเพื่อนร่วมน้ําสาบานบางทีถึงทิ่มเลือดจอดใส่เล่าเอา้าวจานนี้จะต้องเดี๋ยวว่าเมื่อได้ยินว่ามีภัยก็ต้องช่วยเหลือกันดันทีใครเป็นศัตรูของเพื่อนเราเป็นศัตรูกับเราด้วยก็สมมุติบัญญัติกันไป เป็นแขนเป็นขาเป็นหน้าเป็นตัวมันก็เกิดจากความคิดทั้งหมดนั่นแ่ะคราวนี้พอเรามารู้สึกตัวรู้สึกตัวเราก็เห็นไอตัวกายของเราก็เพึงปัจจัยสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้องหายใจต้องเดิมน้ำน้ำนี่ขาดไม่ได้สิบวันก็นด้จะตายได้ละขาดน้ำสิบวันเครื่องมันร้อนตาย อาหารบุตจาละระบบขักถ่ายต่างๆหรือว่าอาพรเครื่องนุ่งหม่มหน้าโอมผ้าร้อนกระถอดเรื่องของการออกกำลังกายาต่างๆ เ, เรื่องของร่างกายเราที่เขาก็บัญญัติกันไว้คนที่เชื่อก็ได้ทำตามสุขภาพก็ดี เรื่องของอารมณ์คือเรื่องของสติที่ต้องฝึกให้รู้เท่ารู้ทานอารมณ์เท่านั้นอีกมากมายเหลือเกินที่คนพยายามสร้างสรรค์ให้คนติดิตทางจิตวิญญาณยังขาดไม่ได้เช่นอินเทอร์เน็ตเล่นไลน์เล่ น, ลลนไอโฟนต่างๆหรือว่าอีกมากมายที่มันจะเป็นเรื่องของธุรกิจเราต้องฝึกให้ติดความรู้สึกตัวกัน ความรู้สึกตัวนี่จนมันมีนิสัยที่จะกลับมาหาความรู้สึกตัวทุกครั้งที่เิมเผื่อลมก็รู้แล้วมีปฏิยาการต่างๆเข้าไปในความคิดเรามีอารมณ์ต่างๆไปอดีตไปอนาคตบวกเ บ, บิกลบๆบแล้วก็กลับมาหาความรู้สึกตัวให้มันติดกเรียกว่าชํานาญจำเป็นวัดสีเข้าออกเข้าออกในความรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหว จนเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อใดก็มีแต่ความรู้สึกตัวลมหาย ใ, ใจลดตากระพริบหรือว่าท้องพองยุบต่างๆมันก็เป็นการกำหนดที่เรามีเจตนากำหนดกรรมฐานเบื้องต้นและกำหนดไว้ก่อนแต่พอเขาจำนานไปเรื่อยๆก็กลายเป็นเรื่องของความเป็นเอง หรือที่ชอบเรียกว่าอัตโนมัติกลับมาเองรู้แล้วว่ามันพึ่งตรงจุดนี้ได้แน่นอนจิตปกติเวลามันมีมากๆเข้าปกติมากๆเข้ามันก็เป็นที่อยู่ที่ปลอดภัยเวลาไปใช้ความคิดใจแล้วก็กลับมาใช้ตายใช้แล้วก็กลับมาใช้เสร็จแล้วก็วาง วางความคิดวางหน้าวางตาวางหูวางรูปวางรสวางกลิน่นวางเสียงมันก็วางกระทั่งผัสสะกระทบสัมผัสมก็วางเพราะว่าจุดกระทบสัมผัสที่เป็นความรู้สึกกับจุดของสติที่เป็นความปกติตัวรู้กับรู้ตัวบันก็ละตัวกั น, นเป็นตําแหน่งก็ละตำแหน่งกันตัวรู้ก็รู้สึกตัว ตัสติมันก็เรารู้ความรู้สึกตัวเราก็เห็นมันเกิดขึ้นไปในใจของเราเนี่ยแหละเกิดขึ้นที่กายทุกครัางที่มีความรู้สึกมันก็เป็นความรู้สึกที่มันเรียกทําให้จริงเราเกิดพลังขึ้นมาเรียกขวัญเรียกขวัญเวลาออกไปบทีฝันเสียเห็นคนตายอย่ทีมันหดหู่ไปเลย ที่เห็นคนเจ็บคนป่วยคนที่เรารักนั้นโหดหูไปเลยมันรู้สึกสงสารเห็นอกเห็นใจแล้วมันก็เศร้าช่วยไม่ได้อันนี้ก็คือลรื่องของการที่เราฝึกจิตแล้วก็ยังไม่มีกําลังพอที่จะเรียกขวัญกลับมาแต่ทุกครั้งที่มันเคลื่อนไหวรู้สึกก็เหมือนก็เรียกขวัญนะเกิดอะไรขึ้นก็กลับมาก่อน รู้เนื้อรู้ตัวก่อนมันก็ปลอดภัยแทนที่จะทุกเต็มร้อยเงี้ยห้าสิเปอร์ซ็นตปกติมัเคยทุกเต็มร้อยเพราะว่าไม่รู้สึกตัวมีอะไรเกิดขึ้นก็มาเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเดินจม ก, กรมรู้สึกหรืวอว่ากระดิกนิ้วรู้สึกบางทีเราก็ไม่ได้ใช้รูปแบบสิบสีจังหวะในทุกๆสถานที่อยู่ที่นี่เราฝึกเราแห่เราใช้กันได้เต็มที่น นั่งกางอีหินอ่อนลานหินโก้งแล้วยกมือรู้สึกตัวเดิน ท, ทางเดินเรารู้สึกตัวแต่เวลาเรานั่งรถหรือว่าไปเดินที่อื่นมันสถานที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าในใจเรามันเหมือนเหมือนเดิมก็คื อ, อยังมีสติ ร, รู้กลัความรู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวกระดิกนิ้วรู้สึกตัว ผมมันมากระทบคอเกลียก็รู้สึกตัวตรงนี้แหละในรูปแบบก็ย่อยลงไปจนเล็กๆ น, น้อยๆมันก็รู้สึกได้มันก็เป็นผลมาจากการฝึกหัดจนแม่นยำแล้วก็ยังทำอยู่ตำําเสมอไม่ประมาทพอตะล่อมยุดฐานกายเอาไว้มันประมาทไป ทามีสตริรู้รู้ฐานกายก็รู้อ่านี่มคืองานหลักถ้าเป็นอาชีพอาชีพหลักเลยอาชีพหลักที่าหาเงินง่ายๆในเงินเป็นก้อเป็นกรรมส่วนมันไปเสี่ยงของละเอียดๆ เ, เช่นไปเล่นหุ้นอย่างเงี้ยมันจะได้ทีมก็เยอะอยู่แต่ว่าถ้าคนเล่นไม่เป็นก็เจ๊งเลยอันนั้นมันงานละเอียดใจความคิดใจเลเหลี่ยมใช้ชันเชิงใช้การคำนวณคาดคะเน ใช้การติดตามอย่างความคิดเราไปติดตามเนี่ยทำให้มีกําลังของสติเนี่ยลดไปกันหมดเลยแต่ร่างกายเนี่ยไม่โกหกกระทบรู้สึกมันหยาบชัดๆตรงๆแล้วก็ทําให้สติมันตื่นได้ไวตัวกั้งเวลามันง่วงเนี้ยไม่ค่อยตื่นก็นลองกระแทกลงไปเดินชบพูแรงๆยกมือแรงๆกระทบให้ความรู้สึกมันชัดมันก็สามารถที่จะถ่ายถอน พอจิตของเราคืนมาสู่ความรู้สึกตัวสติมันเจริญเติบโตแบบนั้นแต่ไปตามดูความง่วงไปตามดูอารมณ์ไปตามดูความคิดมันยังไปตามเลยมันไม่รู้ก่อนมันไม่เป็นสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำมันเป็นสติตามหลังคิดหลังพูดหลังทำมันก็ไม่พอใช้หรอกไม่ทันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็คือไม่ต้องไปตามดูอะไรมาหรอก กลับมากระทบสัมผัสรู้สึกเนี่ยรู้สื่อซื่อรู้สื่อซื่อผลิตความรู้สึกตัวให้มันมากเท่าที่มันจะมากแต่ในรูปแบบจนทั้งไปไหนมาไหนก็เก็บตกได้อย่างสบายอย่างเงี้ยมันมีกายอยู่การเคลื่อนไหวที่กายทุกครั้งที่มันมีอรมณอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่ได้วันไหวอะไรมากแล้วจะนิ่งนิ่งอยู่แบ่งรับแบ่งสู้ได้ มันจะฟังหูไว้หูมันจะดูแล้วก็ไม่ได้เชื่อตามันเห็นอยู่มันจะฟังหูไว้หูมันเป็นเรื่องของจิตใจของเราที่มันรู้จักเลือกเพราะบางทีเนี่ยมันหมดเนื่อหมดตัวไปเลยกการได้ยินได้ฟังบางทีได้ยินได้ฟังบางเรื่องศรัทธาตกเลยปฏิบัติไม่ได้เลยบางทีไปได้ยินได้ฟังเออไม่ใช่หรอกน ไอ้ที่ใช่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นบางทีวัดมีแปลกปลอมเข้ามาวิธีการอื่นๆบางทีก็ไม่ไปอยู่ที่อื่นแต่มาอยู่ที่นี่ด้วยแทนที่จะชวนกันยกเมืองก็ชวนไปทําอย่างอื่นยังก็มีเหมือนกันลหลวงพ่อเลยเทศมาชช่าบอกว่าให้ต่างค น, นต่างอยู่กันให้เป็นที่เป็นทางปลีวิเวกตัวใครตัวเราแล้วก็ข้ามเงตาเหลวหรือตาตามานะไม่เชื่อแต่ก็ไม่ปฏิเสธ ที่นี่ให้เคลื่อนไหวรู้สึกท่านก็ บ, บอกแล้วไม่ใช่เป็นที่ป้ายอย่างเดียวสตาปัญญาสิปัณณปฏิบัติแนวเคลื่อนไหวให้เอามากระทาภายในทำอย่งนั้งมันแจ้งประจักษ์เคลื่อนมาจริงๆว่าเออความรู้เนื้อ ร, รู้ตัวความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้สติปัณณ์เป็นอย่างนี้ความคิดเป็นอย่างนี้มันมันรู้จักจิตปกติเป็นอย่างนี้มันได้สัมผัส มันเห็นคุณค่ามันก็เรียกว่ากระโดดใส่มันจะไม่หันเหรียหันกวางหรือว่าเอเออะอแล้วก็ไปสนทนาอะไรกันนอกเรื่องนอกราวไม่มีมันก็จะสนใจแตเรื่องเทคนิคปฏิบัติทําอย่างไรถึงจะปกติได้ทั้งวันทําอย่างไรถึงจะรู้สึกตัวได้ทั้งวันทําอย่างไระถึงจะมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงของสติปัฏฐานว่ามันเป็นมร มันคือเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวไม่แวะซ้ายไม่แวะววขวาบวบบวกก็ไม่แวะนะลบก็ไม่แวะแต่รู้มันก็คือสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันว่ามีความรู้สึกตัวการเดินทางก็มั่นคงการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะของกายมันก็คือทุกข์ก็เห็นชัดการเคลื่อนไหวของจิตก็คือทุกข์อาการปฏิยาต่างๆที่มันแสดงออกมาแล้วก็ ไม่ได้ทำตามนีมันก็เหลือแต่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวทําอะไรก็มีความรู้สึกตัวจะพูดจะคุยนี่มันก็รู้สึกตัวได้อยู่อย่างเช่นสวดมนต์เราลองสังเกตเถอะการตั้งใจสวดการตั้งใจนมันจะเหมือนกับว่าคุมคุมบังคับนิดหนึ่งแล้วพอเราสวดสวดสวดสวดไปเนะี่ตาเราดูหนังสือมันก็มีปัจจุบันขณะทางตาเกิดขึ้นมา ภาษาของตาจากสุวิญญาน่ะมันก็รู้ได้เวลามันเพ่งมันหนักๆมีตําแหน่งของระบบประสาทมันหนักๆเป็นของจากสุวิญญาณนจะแล้วมันก็จะมีความคิดซึ่งทํางานไว้มากสัญญาความจาได้หมายรู้กอไก่ผสมกันมันเป็นยังไงมันอ่านว่าอะไรมันก็ไว้มากแล้วที่จะระลึกเอาสัญญาเก่าๆมาใช้ด้วยความชํานาญ แล้วก็จะมีตัวหลงโปรมาความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจนจะคิดออกไปนอกเรื่องที่เรากำลังทําตรงนั้นตรงนี้ตรงนมจะแวบออกไปบางทีมันก็จะมีปฏิกยาต่างๆเช่นอาการของกายนั่งแล้วเจ็บปวดเมื่อยปวดปากสาวะอุจละบางทีวันหนาวที่ยุงก็ตอมก็กัดเป็นอาการที่มันซ่อนขึ้นมาเราไปได้เจตนาการทำ มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นมามันชวนหลงแต่เรามีสติเราก็ไม่ได้ไปกับมันแต่ว่ารู้นรู้เรายังทํำวัดสวดมนต์ของเราได้อยู่เหมือนเดิมแต่เดิเพราะความคิดมันเกิดขึ้นมามันก็จอ่จอๆๆๆถ้าก็ไม่ได้เจาะเข้ามาจนทั่งเผลอหลงแล้วก็สวดผิดอะไรเงี้ยมันจะมีก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีไม่ใช่ว่าผิดแล้วก็ มืนกัว่าตําหนิหรือว่าผิดแล้วก็กลายเป็นท้อแท้หรือว่าหมดกําลังใจเบื่อการทําวัดมันจะกลายเป็นเรื่องประสบการณ์ที่แต่ละกิจกรรมแต่ละขณะแต่ละขณะเราจะได้เห็นตัวหลงหรือว่าความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจนตนาแสดงตัวออกมาให้เราได้ฉลาดเราก็เห็นแล้วเห็นอีกสัมผัสแล้วสัมผัสอีกไวขึ้นในหนาของ เวนต่างๆที่สติมันก็รู้จักเป็นนายทวานโดยที่เราไม่ต้องร้องขอก็จะทําหน้าที่ตามกลไกของเขาเองที่เรารู้รู้แล้วก็รู้ว่าใช่ไม่ใช่มีสัมญัสมีปัญญา ม, ามันจะบอกทิศบอกทางเราเลย mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเหมือนกับว่าเดินทางร่วมกันแล้วก็ไปทางเดียวกันก็คือมีสตินมีสมาธิมีปัญญา เพราะการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะที่มันผลิตขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็รวมลงอยู่ในนี้แหละในความรู้สึกตัวเรื่องอื่นก็เลยไม่ต้องจงําเป็นต้องพูดกันเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วชนะวนกันทําแล้วก็ชวนกันเรียกว่าแสดงออกธาตุรู้ที่มันมีขึ้นมาเนะี่ยแสดงออกไหรู้ตื่นเบิกบานเพื่อนที่เขาติดติดขัดๆก็เห็นว่โอ้หลุดพวกลุด่ดพวกเลยบางที เห็นเพื่อนเขาเราตั้งใจเดินอยู่เดินได้ทั้งวันหน้าตาก็าสงบเรียบร้อยการวางหน้าวางตานะวางไม้วางมือคริยาการต่างๆมันเป็นแบบอย่างกันโดยไม่ต้องร้องขอมันเป็นเรื่องของพลังที่มันถ่ายทอดถึงกันได้พลังแห่งความตื่นตัวพลังแห่งความรู้ตัวที่ไหนมีพลังของพุทธคุณธรรมคุณสังคุณมันก็อยู่แล้วเราก็สัมพัสเลย คนไหนอยู่ร้อนคนไหนอยู่เย็นเราก็รู้เราก็เลือกเอาร้อนก็รู้เย็นก็รู้เพราอเรามีความรู้สึกตัวเป็นตัววัดอยู่ตลาดเวลาเวลาใหม่ๆถ้าเผลอหลงไปมั่งก็ไม่เป็นไรหรอกหรือว่านานๆก็ยังหลงอยู่ก็ไม่เป็นไรนนกันนะก็ฝึกต่อไปหรือว่าหลือว่าเขียนทั้งกระเชียให้มันจบซะมันจบซะมันจบซะ แต่ก็เชีย์อยู่แต่าคงเห็นนิมิตแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนนะเล่งความเปลี่ยนวัะนั้นมาช้าท่านจึงจอบว่าอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจถ้าเราขี้เกียจปฏิบัติขนานหมายถึงว่าก็ประมาทแล้วคำนี้คําว่าขยันปฏิบัติก็ไม่ได้หมายถึงว่าต้องต้องเดินในรูปแบบอย่างต้องเอาไปเอาตายนะนั่งก็ได้เดินก็ได้เยืนก็ได้นอนก็ยังได้ เรฝึกส ต, ติในท่านอนเป็นก็ฝึกไปนอนแล้วก็ตื่นรู้สบายผ่อนคลายการวางแข้งวางขาวางไม้วางมือวางหน้าวางตาเราได้เห็นการกดทับทิมเกิดขึ้นแถวสันหลังบ้างแถวไม้แถวมือบ้างหรือว่าหัวใจมันเต้นตึ๊บๆึๆเป็นความรู้สึกตัวก็ได้ท้องปองยุบแต่ใหม่ๆ ม, มันจะวิว วิววิววิ ว, ว, ว, ว, วแล้วก็หลับปุ๊บลงไปเลยเนี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนก็ไม่ควรนอนนะควรจะลุกขึ้นมานั่นแหละแต่ถ้ามันบางทีมันสูงอะย่นไม่สบายก็นอนบ้างก็ไดนะ้ผมเล่าธรรมานี่เคยเคยลองเล่นกับความง่วงแต่ก็นึกถึงกันึกถึงคําพูดของหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนพูดว่าหลวงปู่เทียนมาิปฏิบัติธรรมเนี่ หลวงู่เทียนเองก็ตั้งใจนะว่าจะเอาชนะความโกรธอันนี้พอมาถึงมันก็ง่วงยกมือมันก็ง่วงนั่งสร้างจังหวะมันก็ง่วงเดินจงกรมมันก็ยังง่วงนท่านก็เลยไปนอนดีกว่าเนีพอไปนอนปั๊บท่านก็บอกว่าเออเรามาปฏิวัติธรรมจะไปนอนทําไมท่านก็บอกว่ามันก็ลุกขึ้นมาอีกท่านท่านจะไปเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวงก็ง่วงอีกมันก็ลุก พดลูกพดนั่งอยู่นั่นแหละท่านก็ว่าตัวเองว่าเอ๊ะมันบ้าแล้วมั้งเนี่ยนะมันจะมาปฏิบัติธรรมแล้วมันจะมาเป็นบ้าอย่างนี้ได้ยังไงจะปฏิบัติก็ปฏิบัติสิแต่ความง่วงก็บอกว่าเอาขอหน่อยเถอนะขอนอนสักครั้งนึงเถอะแตวันนี้ข อ, อนอนเถอะแล้วเดี๋ยวตื่นขึ้นมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะไม่นอนอีกเลยท่านก็ดูแล้วท่านก็เอา้าจริงนะอา้าถ้าจริงก็นอนแล้วท่านก็จริงสุดเลยคนจริงเลย พอนอนตื่นขึ้นมาท่านก็เอาวละตั้งแต่บัดนี้ตั้งไปก็ไม่นอนละผมเวลาทำไมก็เคยนึกถึงอาจารย์ฝรั่งอยู่รูปอาจารย์ทนยี่นะวันโสมาอยู่ที่นี่ท่านก็บอกว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่นั่งหลับตาที่แนวหลวงปูถเที่นไม่นั่งหลับตาทาอะไรมันง่วงแล้วหลับตานะท่านยึดฐานจิตเลยขอให้ตามันบอดไปเลยใชาตินี้กี่ชาติกี่ชาติสายตามันบอดไปเลยท่านพูดอย่างนี้เลยภาษาหนึ่ง พรรูปนี้ก็ประวัติน่าสนใจอรับบทมา20องศาอยู่ในสายดังสายหนึ่งสายหลวงพ่ชานะเสร็จแล้วมันก็ยังไม่เข้าใจธรรมะสักทีเงก็ตะเวนหาพระพรูปไหนนาะในประเทศไทยที่จะสามารถสอนให้เข้าใจเรื่องธรรมะได้ไปเจอหนังสือหลวงปู่เทียนก็ก็สนใจก็มาที่นี่ทำไมจริงๆก็ามาเจอกับผมรา่องมานี่แหละพอมาเห็นยกไม้ยกมือเห็นคนอยู่กันเพ่นผ่านไปหมด ท่านเป็นพระที่อยู่ในระเบียบวินัยนะไม่เห็นว่าเราในเพ่น พ, านพ่านจริงๆพระเนี่ยออกเพ่นผ่านไปหน้าวัดบ้างย้อน ม, มาอยู่เขตพระบ้างนท่านก็เลยไปเลยสะพายบาดไปอยู่ภูหลงไปอยู่ภูหลงก็ไม่ใช่อีกนก็เดินไปอีกเดินไปเรื่อยตุดงไปเลยเจแล้วมาพรรษานึงก็ย้อนกลับมาที่นี่แล้วจันทน์จิงนวันโศ ภาษานั้นก็ตั้งใจเก็บอารมอย่างดีเลยนาภาษาเข้าใจเรื่องสภาวะรูปนานการวางใจเนี่ยวางไม่ค่อยได้ดีตนราษานี่เพ่งมากเลยก็ได้อาศัยมีบทสนทนาแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนหนาอาจารย์คำพลทองบนุ่มแล้วก็ฟังทำจากหลวงพ่อคำเขียนแล้เก็บตัวอยู่เงียบๆอยู่ป ก, กตินะ่เปีวิเวกจริงๆประมาณสักปลายปา ย, ปา ย, ปายษาเข้าใจชัดเลยประมาณเดือนที่สอง สภาวะรูปนามหรือว่าสภาวะจิตปกติจนทางออกไปแล้วไปพูดธรรมะที่ไหนคนก็เรียกว่ายอมรับภาพฝันรูปนี้คําพูดที่น่าสนใจเมื่อกี้ที่พูดไว้ก็คือถ้าหลับตานะี่ยท่านถานว่าขอให้ตาบอดแล้วท่านก็ไม่ค่อยนอนเลยทั้งคืนไม่ค่อยนอนกลาวันก็ไม่ค่อยนอนผมเม่อเลยจะมาจะเดินเยี่ยมเป็นประจำเมื่อก่อนเยี่ยมพระตลอดเว ล, า เ, วลาเลย ตอนนั้นมันสนใจเรื่องพระต่อหลังโยมไมเยอร์ไม่ได้ก็เยสนใจเท่าไหร่ให้หลวงพ่อท่านได้มอบหมายแล้วว่าดูแลเราเป็นศิษย์ที่มีครูบาอาจารย์คนเดียวกันนีนะส่วนผมแล้วแตมาเวลาง่วงหน่ยนะตอนตอน้ตนๆของการบวชเนะี่ยมันนั้นอยู่กุทีสิบสามซึ่งเป็นกุฎเก่าๆ เ, เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดละกุฎเก่าๆสมัยก่อนมันก็เรียกว่า วงหลังคาสังกสีแล้วก็เวลาลมพัดทิ้งก็โยกเยกโยกเยกโยกเยกแล้วก็หลบมาอยู่ที่เรียกว่าศาลาแทงน้ำกุศิบสามเอาแกล้นะมาวางก็แล้วก็นั่งเดินยืนนอนอยู่ตรงนั้นเลยนั่งเดินยืนนอนก็นี่มันนั่งเดินยืนนอนตอนกลางวันเก็บลมของการบวชใหม่ๆนี่มันง่วงจริงๆแล้วมันก็ไม่มีคนอยู่ซะด้วยวัด เวลาออกภาษาทีก็อยู่คนเดียวนี่แหละอยู่คนเดียวอยู่อย่างมากก็สองคนอาจารย์ยูกิหรืออาจารย์สรุรทัศน์ก็จะอยู่กันพอปฏิบัติแล้วมันง่วงนะครับมันก็ได้โอกาสนะนะมันก็เดินขึ้นไปครั้นี้อากาศมันร้อนมากหลังคาสังข์สีประมาณบ่ายสองประมาณบ่ายโมงบ่ายสองช่วงนี้มันมันร้อนจัดเมษาหน้าร้อน เราก็คิดว่าจะไปนอนนะมันก็ยังหวงอยู่การเป็นวัดิกรรมฐานะยังห่วงอยู่เรื่องรูปแบบเรื่องการที่จะหลบไปนอนอะไรนะแต่มันก็ทนไม่ไหวก็ไปนอนคราวนี้ไปนอนแล้วเหมือนกับอยู่ในเตาอบเลยเหมือนกับตู้ไปจนีรุ่นเก่าอนะมันร้อนแบบนั้นนะเหงื่อแตกเลยแต่มันก็ยังนอนหลับอยู่ แต่ครั้นี้มันหลับได้แค่สักประมาณครึ่งชั่วโมงอะนะประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็บอกกับตัวเองพอเหือร้อนอย่านอนเลยเหื่อไหลเต็มหัหรับพื้นเนยแฉะนแต่มันก็บอกว่านอนไปเถอะอยากนอนก็นอนไปเถอะก็เถียงกันแหละให้นอนซะอีกเห็ดมันก็นอนเหงือแตกพลิกไปพลิกมาอีกใจมันก็จะลุกมาออกมามาร้อนจัดเนี่ยอีกตัวก็บอก ก็อยากนอนกันนอนไปสิแง่ความคิดทะเลาะ ก, กันอีกตัวก็บอกลูกเธอะร้อนไม่ไหวแล้วไปอาบน้ามาถ้าอีกตัวก็นอนซะนอนซะอยากนอนกันนอนนันก็สอนตัวเอ ง, นะ อ, ง, เ อ, งอย่างนั้นแกล้งตัวเองอย่างเนี้ไทยก็คือตั้งแต่นั้นก็เข็ดเลยละเรื่องที่จะไปนอนกลางวันทําไม่ป่วยจริงๆหรือว่าไม่หมดเรี่ยวหมดแรงยังไม่ได้นอนกันหรอกมันเราขนาดนั้นแหละเพราะนั้นความเปลี่ยนนี่ก็คือ เราก็จะต้องเรียกว่าฝึกตนสอนตนกันนะมันจะได้สมกับการที่เราได้เหมือนกับว่าตั้งใจมาวัดป่าสุกตัวแล้ววัดป่าสุกตัวคือไปแล้วด้วยดีเหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายเหนือทุกข์เหนือสุขถ้าสุขเป็นสุขติถ้าทุกขเป็นทุกขติถ้าสุกตัวก็ไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายหลุดๆกันไปเลยเอาแบบนั้นแล้วนั้นความเพียรก็ต้องเรียว่าเป็นคนจริงสักหน่อย คนจริงเนได้เห็นของจริงกันอย่างน้อยๆก็รู้จักละความรู้สึกตัวเป็นยังไงรู้จักว่าเงินห้าบาทสิบาทเป็นยังไงก็กําแน่นอ่ะยังอบอุ่นเนีถึงไม่มีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมีห้าบาทสิบาทนี่ก็อุ่นใจมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินนะมันดีฝ่าเป็นหนี้เป็นสินมีล้านแต่เป็นหนี้มันก็ไม่อุ่นใจเล้วมีห้าบาทแต่เป็นกําไรของเราเี่ย มันกำไรของชีวิตเราก็คือการที่เราได้มาอยู่วัดอยู่วานะสุดยอดเลยวานไม่ต้องเช้ค่าไม่ต้องซื้อปรึกษาหรือไม่ต้องเสียสตังค์หลวงพ่อตั้งแตพร้อมตลอด24ชั่วโมงเคาะ ม, มาไหลท่านก็นแกะลงให้ทันทีจึงไม่ต้องกลัวหลงนะไปบัดเต็มที่ไปเลยถึงใจสุด ค, คือมันไม่แน่คนมาอยู่วัดอยู่วานอย่างที่โนะยมก็ก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างให้กับเรา มันเป็นเรื่องที่ตั้งใจไปบัตรนั่งก็ตายไปซะก่อนหรือว่าคุณนายต้อยเนี่ยเาตั้งใจเดือดมากแต่ว่ามาตอนหลังเวลาใกล้จะตายนันตั้งใจบัตรให้รู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างพอที่จะเคารพกันบ้างตอนใกล้าตายแต่ตอนเป็นโยมก็มุทาวหุง อ, อาหารทําอะไรมากมายเหลือเกินอีกคนก็คือเวลาจะตายมาเคารพกันก็ตอนจะตายก็คือคุณอยู่เนะี่ยกดข้างหน้าเนี่ย ก่อนนะถ้เห็นหน้าธารมาเขาบอกพระหน้าบูดพระหน้าบูดเอาแต่ดูแต่ดา่าแต่บน่นเวลาคนไม่เจริญสตินี่ไล่ต้อนคนไม่เข้าปฏิบัติธรรมมาที่นี่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยไปไล่ต้อนเขาก็เกลียดกันทังวัดนนะ่ะเนหรือว่าอีกหลายคนท้ายสุดก็คือมันตอนหมดลมอ่ะมันเห็นคุณค่านั่น อาจารย์ความรู้สึกตัวเป็นไงใช่งี้ไหมอะไอย่างเงี้ยอาตมาต้องเอารูปนี้ไปติดให้นะรูปหลวงพ่อเขียนรูปนั้นเอากําลังใจไว้ให้ไปติดอยู่ให้นอนมองได้เห็นเขตไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรกับอะไรเวลาใกล้ตายแกก็โอ้ยนอนมองอยู่แล้วน่ะเวลาใกล้ตายคนมันต้องการกําลังใจตอนที่มีชีวิตตอนที่ปฏิบัติได้ทําไมไม่ยอมให้กําลังใจตัวเองกันนั้น เพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าให้วางใจเรียงไนงะความรู้สึกตัวเนะี่ยมันจะทําให้เรามีพลังมีกําลังใจกําลังของสติสมาธิปัญญามันก็จะมีพละมีความเป็นพระเกิดมานะจุดเนี้ยมันก็จะหาให้สงสัยไปเลยอะไรเป็นอะไรมันจะได้คาตอบในตัวเรานี่แหละอ่าอย่างนี้มาก็เห็นว่าสมควรกเวลาก็พูดให้ฟังก็เห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราก็ รวมตัวกันแล้วก็ตั้งใจปฏิบักันตามสมควรนช่วงนี้อันวาา่าสังเกตเห็นก็ขอให้สิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยก็เป็นผลเดินไปในทางที่มันถูกแล้วก็ไท้ายสุดได้พบเจอก็จะทำความเป็นจริงนะจ้งเหนือเกิดเหนือแก่แกน เ, กเนือเจ็บเนือตายก็ขอให้ได้พบเจอในปัจจุบันชาตินี้ในระยะใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นเอง